วันนี้เป็นวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระ15คห้าค่ำแรง15ค่ําเดือน8เข้าพรรษามาเป็นเวลา15วันพวกเราเมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสนาจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจะต้องอาศัยในการศึกษาถ้าว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังเข้ามาแล้วก็ มีแต่มาเห็นมาดูเพอเพอพวกเราอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจและยังปราหมาดไปอีกต่างหากเพราะความไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วพวกเราจะได้รู้แนวทางแห่งการปฏิบัติว่าปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกท่องจึงจะเหมาะสมเพราะนันการได้ยินได้ฟังในหลักของพระพุทธศาสนาไม่ว่าที่ไหนไหนไม่ว่าทางโลกและทางธรรมต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทางนั้น มหาวิทยาลัยเขาสอนให้พวกนักศึกษาทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เห็นเพราะนั้นหลักของพุทธศ า, าสนาจะเข้ามาแล้วจะรู้จักทั้งหมดอย่างนั้นเหรอก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังผู้ที่ท่านเปีนศึกษาเข้ามาอยู่ข้างในเข้ามาอยู่เป็นสู่วัดวาศาสนาอย่างเป็นพระสงฆ์อย่างหลวงพ่ อ, อย่างเนี่ย เข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นสมณีนศึกษาไยในการศึกษาสร้างประยัดคือแนวทางเรื่องตำรับตำราปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติที่ได้ผ่า น, นการศึกษาและการปฏิบัติมาพอสมควรตีและรับการอบรมจากครูบาอาจารย์จากนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็จะต้องถ่ายทอดที่วิ ช, ชาหรื่าความรู้ที่ตนเองได้ ประสบะการณ์มาอย่างไรได้เรียนรู้มาอย่างไรให้แก่พระรักจาญาติโยมผู้ที่เข้ามาใฝ่ในการศึกษาในหลักธรรมคาสอนท่านว่าสุตตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นและก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจากนั้นก็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 เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นนำมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอีกครั้งหนึง่งมิใช่ว่าเรารับมาแล้วก็จะรับไปทั้งหมดไม่ว่าเราจะได้ยินเรื่องอะไรก็าตามเมื่อเราเข้าไปศึกษาหรือเข้าไปปราศัยหรือเข้าไป อ, อบปรมเมื่อวิทยากรเขาบอกมาเขาพูดมาเราก็ต้องฟังเมื่อฟังแล้วเราก็มากันกรองไตรตรองเป็นไปได้ไหม ที่เราได้ยินได้ฟังมาวันนี้ไม่ใช่ว่าเราบอกเขายัดเขาไปเลยเราก็รับไปทั้งหมดไม่ใช่เราต้องการกองอันนี้ก็เหมือนกันหลัรทมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบมันตั้งแต่ทีแรกรับมาชอบมาเรื่อยๆจนถึง2 5 5 5ปีปีนี้ผู้ที่พิสูจน์ด้วยผู้ที่ได้นำมาประพฤติปฏิบัต เป็นเห็นว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นกฎที่ควรศึกษาผู้ใดนำมาประพฤติธปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะได้รับความสงบหรือชุมชนในยุคใดสมัยใดกลุม่มใดประพฤติปฏิบัติทำตามทมคำสอนของพระพุทธเจ้าจุกนั้นสมัยนั้นชุมชนนั้นก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขทั่วนหน้ากัน จะไม่มีพิษมีภัยในเพื่อนมนุษย์ชาติเพราะเหตุไรเพราะว่ามนุษย์ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันนี่แหละเรื่องศีลและธรรมของพระ พ, พุทธเจ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วจะไปในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เรื่องการรักษาศีลอุโบสถอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อแนะนําเออพวกเราทุกๆท่านในพรรษาเนี่ควรจะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดถ้าเป็นไปได้ก็ให้ รอดรอดฝั่งสามเดือนในในครั้งพุทธกาลมีไหมในครั้งพระพุทธเจา้ามีพระพุทธองค์เคยตรัสในพระไตรปิฎกหลวงพ่อก็ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกท่านก็พูดเป็นชาดกและเป็นเรื่องราวว่าสมัยพระองค์พระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย เข้ามารักษาศีลอุโบสถในวัดป่าเชตตะวันพระองค์ก็บอกเออการรักษาศีลอุโบสถนี่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตั้งแต่ดึกจำบันตั้งแต่ก่อนเก่า เ, ออเคยมีมาแล้วการรักษาศีลอุโบสถเนี่ยบางที่รักษาศีลอุโบสถแล้วได้ได้เคลืนไปสู่สวรรค์ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็เคยมีมาแล้วในอดีตการ อันนี้คือพระพุทธองค์เทศท่านชมเฉยอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าเชตตะวันจากนั้นท่านก็พูดว่าอดีตการเคยมีมาแล้วผู้ที่รักษาศีลนุโบโสดแล้วได้ขึ้นไปสู่ชั้นสวรรค์ทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่อุบาสกอุบาสิกาวัดป่าเชตะวันและพระสงฆ์ที่ได้ยินก็เมื่อพระองค์ทํำ ป, ม, ปมให้ขมวดไว้อย่างนั้น จัดยองก็ถามว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าค้าเรื่องที่ว่าคนรักษาศีลแล้วขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้งยังมีชีวิตอยู่พระองค์บอกว่าตั้งใจฟังแต่จะเฉลยให้ฟังพูดให้ฟังพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าเมืองมิถิลามิถิลามหานครเป็นเมืองใหญ่ตอนนี้นเมื่อพระองค์พระเจ้าแผ่นดินปกครองโดยธรรมก็ชักชวนให้พี่น้องประชาชน รักษาศีลห้าเป็นนิจจศีลและรักษาศีลอุโบสถเป็นอันดีเล่ให้คล้ายกับว่าไม่ใช่ตลอดไปรักษาทุกวันพระอย่างพวกเราทท่าน ท, ท, ทั้งหลายแต่ศีลห้านี้มีเป็นประจำเมื่อคนรักษาศีลห้าศีลอุโบสถส่วนพระเจ้าแผ่นดินก็ตั้งโรงทานขึ้นมาหกโรงทานในเมืองมิถิลามหานคร คือเมืองมิถิลามีอยู่4ประตูเมืองใหญ่ก็ตั้งโรงทานในสีมุมเมืองแล้วก็สองในกลางเมืองก็ตั้งโรงทานขึ้นมาอีกเพื่อเลี้ยงคู่คนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากแต่ที่ไม่มีอยู่มีกินก็ตั้งโรงทานขึ้นมาเพื่อเลี้ยงคู่คนอันนี้คือพระเจ้ามิถิลาเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาและก็เป็นผู้มีศีลและก็ชักชวนคนให้รักษาศีล และใครมีเมตตาต่อกันในยุคสมัยนั้นเมืองนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นถุกท้วนหน้ากันคนอายุยืนอีกต่างหากจากนั้นคนในเมืองนั้นพอตายไปแล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงคือชั้นพระอินทร์อยู่จะนี้นพอพวกนี้ตายขึ้นไปก็ไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นสวรรค์ชั้นสวรรค์เจอนะพวกบริวารของพระเจ้า ่กุงมิถิลานะก็ขึ้นไปกับสรนและเสริญพระเจ้ามิถิลาโอ้ถ้าว่าเราไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินเป็นคนดีเนี่ยพวกเราจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่บันนี้พวกเราได้พระเจ้าแผ่นดินมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีเมตตากันแนะนําพวกเราให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพวกเราก็ได้รักษาศีลรักปฏิบัติธรรมเป็นคนดีพวกเราจะได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ยิ่มากถึงขนาดนี้จากนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินพวกเทวดาขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เพราะได้รักษาศีลเทวดาเหล่านั้นก็อยากจะเห็นพระเจ้ามิถิลาก็ไปโทลพระอินทร์พระอินทร์บอกว่าอยากจะเห็นพระเจ้ากรุงมิถิลานั่นทไมเทวดาขึ้นมาสู่สวรรค์เยอะเลืเกินเพราะว่า พระ อ, องค์เป็นผู้มีน้ำใจมีเป็นผู้มีเมตตาและก็สอนคนให้คนทำคุณนามความดีคนก็ตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ดัชนเราวดึงเป็นส่วนมากเมื่อพระ อ, อินทร์ทราบว่าเทวดาอยากจะรู้อยากจะเห็นพระเจ้ามิถิลาก็สั่งมาตรีเทพพระบุตรนะั่นคือม้าของพระ อ, อินทร์เองรถของพระ อ, อินทร์เองส่งให้มารับ พระเจ้ากรุงมิถิลาแต่ได้มาตรียเทพบระบุก็ลงมาจากชั้นสวรรค์ตามพระบัญชาของพระอินทร์ลงมาขอมาพูดว่าพระอินทร์เทวดาต้องการอยากจะให้พระองค์ขึ้นไปสู่ชั้นสวรรค์จั้นดาวดึง่งเพราะว่าพระองค์กิตติศัพท์ของพระองค์โด่งดังเพราะประกอบคุณงามความดีเป็นผู้มีศีลมีธรรมและคนแนะนําสั่งสอนคนให้เป็นคนดีคนขึ้นไปสู่สวรรค์มาก ช่วงนี้เป็นพวกเป็นช่วงๆเหมือนกันนะอ่าเป็นช่วงๆเหมือนกันช่วงไหนที่เป็นมิจฉาทิฐิมากช่วงนั้นก็ลงนรกมากเฮก็ลงไปลงนรกแต่ช่วงไหนคนสร้างคุณงามความดีก็เฮขึ้นไปสู่สวรรค์เหมือนกับพวกเราเศรษฐกิจโลกนั่นถ้าเศรษฐกิจช่วงไหนดีพวกเราไปเที่ยวต่างประเทศได้ได้มากไปนุกสนานอาหารการบริโภคก็ดี แต่ช่วงไหนเศรษฐกิจมันย่ำแย่ใช่มีแต่นาดจ่อยมอยเงามีแต่โจรมีแต่ขโมยมีแต่ป้นคดโกงกันใช่เพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการสร้างคุณงามความดีใ น, ในยุคใดสมัยใดสร้างคุณงามความดียุคสมัยนั้นก่อนชวรรค์ก็เฟื่องฟูนะแต่ถ้าหากว่าคนไหนทําความชั่วมากนรกก็เฟื่องฟูนะมันไปคนละทางกันนะ ความดีกว่ความชั่วเลยพวกนั้นพวกเราจะไปทางไหนให้ถามตัวขอ ง, ของพวกเราแจ่เนี้พอพระอินทร์มารับพระเจ้าแผ่นดินมิถิล า, า็อื้อร่องรอยมาจากอากาศาไม่ไปขาวนี่จะไปขาวไหนไปสวรรค์แต่นี่ตกลงไ ป, ไปแง่ตืนไปบนราชเปรตชยานรถของพระเจ้าของพระอินทร์พระอินทร์ก็บอก พระเจ้ามิถิลาก็นั่งอยู่ในในที่ประชุมอํามาตย์ทั้งหลายเออเราไปแล้วนะมีโอกาสแล้วเราจริงจะกลับมาเอาพวกท่านทั้งหลายบริหารประเทศชาติไปนะ เ, เราจะไปดูสวรรค์ก่อนแต่ทนี้นก็พอขึ้นไปบูรุบนชั้นสวรรค์ก็เทวดาทั้งหลายก็ยินดีอนุโมทนาเห็นพระเจ้ากรุงมิถิลาขึ้นไปจากนั้นพระเจ้า พระอิมก็บอกเออเมื่อขึ้นมาแล้วก็เอาละข้าพเจ้าจะแบ่งสวรรค์ชั้นจาตูมให้ครึ่งหนึ่งเพราะพระองค์เป็นคนดีฮะแต่นี้ก็พระเจ้ามิถิลาไม่ปฏิเสธเพราะเห็นอลังการเน่ยเขาท่านแบ่งให้อีกจะครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยทำไม่รับก็จะทำไงก็ต้องรับก็เลยเสวยความสุขอยู่ชั้นสวรรค์ที่เป็นมนุษย์นะอยู่คึ่งนาน นานถึงเจ็ดร้อยปีนะฟังฟังพูดนะคนอายุยืนในยุคนั้นนะทีนี้พออยู่ที่นั่นแล้วก็พออายุมา ก, กว่าถึงอายุครบร้อยปีแต่ไหนะหมดบุญแ่ไหนะ mm hmm. หมดบุญนะมันหมดเป็นนะกินไปกินมามันหมดนะถึงขนาดสร้างมากขนาดนั้นก็เถอนะเออมันหมดนะบุญพอหมดบุญเข้าไว้แล้วกวนกไวนเนี่ไหนกวนก็วายกระซับกระายหาความสุขไม่ได้นะก็เหมือนกับ พระเข้ามาบวชใน พ, พุทธศาสนาเนี่ยพอมาบวชเข้ามาแล้วก็ทีแรกเออสบายจิตใจสงบเยือกเย็นดีแต่ทนี้พอหมดบุญเท่านั้นแหละกระวนกระวายทั้งร้อนทั้งร้อนอกร้อนใจทั้งร้อนกายร้อนใจลักษณะอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เพราะมันหมดบุญเนี่ยพวกเราศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันนะบางท่านบางคนเข้ามาใหม่ๆก็มีความสงบพุ่มเย็นเป็นสุขเข้ามาสู่วัดวาศาสนาพอมาอยู่ไปอยู่มาอยู่ม า, อ ย, มาอยู่ไป พอในสู่ก็หมดบุญอีกก็ร้อน อ, อกร้อนใจอีกคอยดูนะพวกเรานะถ้ามันร้อน อ, อกร้อนใจแสดงว่าเราหมดบุญนะจะอยู่ในหลักอันความร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เราพร้อมที่จะเพ่นกระโดดลงไปสู่โลกวัฏสงสารเติมไปด้วยเวรภัยฮคนหมดบุญนะเพราะนั้น พระเจ้ามิถิลาขึ้นไปอยู่สวรรค์พออยู่ไปนานถึงเจ็ดร้อยปีมีความร้อนใจมีความขวกรกวายแ้วเข้าไปหาพระอินทร์โอตะก่อนข้าพระองค์ขึ้นมาก็มีความสุขใจสุขกายสบายใจเป็นอย่างมากแต่พอมาอยู่เข้ามาแล้วเนะี่ยมาพอมา ถ, ถึงจุดนี้เนะี่ยทำไมฆ่าพระองค์จึงมีความทุหลนทุลายอย่างนี้พระอินทร์บอกว่านั่นแหละพระพระองค์ พระองค์บดบุญบุญหมดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแบ่งให้สักครึ่งนึงแบ่งบุญของผมให้อีกออพระอินกระแสนจะใจดีนะ เ, เราจะแบ่งบุญให้ท่านอีกออครึ่งนึงพระเจ้ามิทิลาเบาโอกระผมไม่ขอรับบุญของท่านแต่ยินดีที่ท่านมีน้ำใจมีมีความโครณาต่อผมผมยินดี ในน้าใจของท่านแต่ผมไม่รับถ้าว่ารับบุญของคนอื่นเมื่อรับมาแล้วบุญของคนอื่นไม่ใช่บุญของตนเองถ้าบุญของตนเองถ้าตัวเองสร้างมาแล้วได้บุญมาอย่างไงเราใช้อย่างนั้นก็ดีแต่นี่ถ้าว่าเรารับบุญคนอื่นมาถ้าเขาใจดีตลอดไป เ, เราก็ให้เราใช้บุญของเขาแต่เมื่อไรเขาเอาบุญเขาคืน ผมก็จะทุกข์ใจอีกเพราะฉะนั้นผมไม่ขอรับครับผมจะขอกลับลงไปสร้างบุญในเมืองมนุษย์อีกสัก่อนครับผมไม่ขอรับครับพระอิน์เออถ้าอย่างนั้นก็ตามอัธยาศัยท่านจะกลับลงไปเมืองมนุษย์ก็ได้จากนั้นมาตรีเทพปูะปุษก็เออเอาส่งพระเจ้ามิติลากลับเมืองหาเมืองเก่าเขานะพวกเวทช ย, ยัน ราชรสของพระอินทร์ก็รับพระเจ้ามิถิลากลับลงมาพอ ก, กลับลงมาก็ลงที่ไหนไปลงที่อุทยานไปลงที่อุทยานพระอุทยานนายอุทยานก็เป็นใครพระเจ้ามิถิลากลัวเราเนี่ยคือพระเจ้ามิถิลาที่ไปสู่สวรรค์เพื่อกลับลงมาแต่ที่ไหนได้พวกอยู่ในนุเมืองมนุษย์น่ยตายไปไม่รู้เท่าไหร่เลตายไปหมดแล้วเจ็ดชั่วโคตรละ ทนี้ก็แต่พระเจ้ามิถิลานุ่นบุญอายุยืนจากนั้นพระเจ้ามิถิลารุ่นหลานรุ่นเหลนนเจ็ดชั่วโคตรเป็นรุ่นที่เจ็ด น, นับจากพระองค์ลงไปพอ เ, เข้ามาแห่กบวนเข้ามาเพื่อจะแห่เข้าไป เ, เข้าไปในเมืองก็จะถวาราชสมบัติคืนแต่พระเจ้าแผ่นดินบอกว่าเออหลานเหลนเราเคยเป็นพระเจ้า ปกครองเมืองนี้สมัยนูน้นอุทยานแห่งนี้ตรงนั้นไปนี่ตรงนี้ไปอย่างนั้นคือเกาะเกาะแขนกับปลานกับเหรนเที่ยวชมสวนอธิบายให้ฟังแต่เหลนนี่ก็มั่นใจว่าเนี่ยประเจ้ของมิถิลาเป็นทวดของเราจริงๆท่านบอกอะไรถูกมดแต่ท่านก็บอกว่าเราไม่ขอรับราชสมบัติ แต่ถึงยังไงข อ, ขอให้เราได้ทาบุญให้ทาบุญท่านนั้นเหลียญเนี่ยปะจัดสถานที่ทาบุญให้ตกแต่งให้ทาบุญเต็มที่อยากจะทำอะไรเมื่อพระเจ้าทวดต้องการทำอะไรท่านก็ทำอย่างเต็มที่พอทาได้เจ็ดวันสร้างบุญสร้างกุศลได้เจ็ดวันท่านก็ได้สวรรคตตายไปคงจะไปขึ้นไปสู่สวรรค์อีกข่าวนี้ัอาสมัตของตนเองขึ้นไป แไม่รับอนิสงส์ที่พระอินทร์แบ่งให้ในข่าวที่อยู่สวรรค์นี่แหละอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการรักษาศินอุโบโสถเนี่ไปสู่สวรรค์ได้นะอนาณศสัตย า, าติโยมท่านพูดที่ท่านตรัสไว้ที่วัดเชตตะวันมหาวิหารท่านว่าศีเลนะสุขติงยันติพูดที่จะไปสู่สุขติได้เพราะสิลสีเลนะโภคสัมปทา ผู้ที่จะไปมีพระโพธิสมบัติได้เพราะสิลสีเลนะนิพุติงยันติผู้ที่จะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะสินศินเป็นพื้นฐานเป็นฐานของคุณงามความดีถ้าคนไม่มีฐานที่ดีเอ่ยที่จะก้าวกระโดดไปทางอื่นเป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนว่ายน้ําอยู่เนะี่ยฐานไม่ดีเอ่ยจะกระโดดไปที่ไหนก็ได้เพียงนิดๆหน่อยๆท่านเองถ้าคนอยู่ในฐานที่ดี พื้นฐานที่ดีจะทําอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีแต่เมื่อเราได้เกิดได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราท่านทางหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอให้บริกรรมเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอชางพวกเราอยากจะทดลองเลยที่ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วทดลองไเลยที่ออกไปนี่ก็ไปตีหัวเข้าไปชกไปอ้นไปฆ่าไปอะไรเขาเข้าผิดกฎหมายนั่นแหละทำชั่วลเลอไม่ได้ชั่วแล้วเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปเลยละ่ะท่นี่นั่นแหะอันนี้คือคือทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่ววันยังคำ่ำแล้วทำดีละ่ะเอหลวงพ่อพูดให้แก่คณะจตหา ย, ยาธิโอมแนะนําสั่งสอนอย่างนี้ละ ใครจะมาจับม า, าลงโทษหรือมาดูถาว่ากล่าวหลวงพอ่พอเพราะหลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ให้คุณงามความดีนี่แหละจะเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันการสร้างคุณงามความดีเมื่อสร้างไปแล้วมีแต่ความสบาย อ, อกสบายใจมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วจะดีได้อย่างไรเมื่อทาชั่วแล้ว ฉะ น, นขอให้พวกเราทุกๆท่านในพรรษานี้อย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําพวกเราทัางทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรเอาไว้ขอให้มั่นคงให้แน่วแนว่ให้จริงจังเมื่อเราผ่านพรรษาไปแล้วเราค่อยรับอานิสงส์ทีเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานพระพุทธอุดมมงคล พระประธานบนศาลาของเราคือพระพุทธธุดมมงคลเมื่อตั้งจิตทิฏฐิฐานแล้วออกพรรษาล้เออด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกคุ้มครองข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีตรอดไตรมาสสามเดือนไม่ได้ขาดตกปกพ่องด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้ขอให้บรรลบรรดาลขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ตามสมควรแล้วก็ขอให้เข้าไปเจ้าดวงตาเห็นธรรมในที่สุดด้วยเถิดเราก็ตั้งความปรารถนาได้ก็เห็นเลยเพราะเราได้สร้างคุณงามความดีไปแล้วเราก็ขอผลไม่ใช่ว่าปลูปปกปับไปมีแต่ขอนั่นมีแต่ขอเนี้ยแต่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างมีแต่ขอเอาขอเอามันก็จังว่าเลยอี ค้ากำไรเกินควรนะหลวงพ่อว่านะค้ากำไรเกินควรนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่เราก็มีแต่ขอกับขอมันก็ไม่ถูกมันกันนะอนะนาทธาญาโโยมลูกลานนะควรสร้างคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทต่อนนี้ไปพานาสงจะอนโมธนาให้พร